ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้มาแบ่งปันในสิ่งที่เป็นสาระคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกระดูกสีห้าเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องระบบการหายใจการเคลื่อนไหวผู้เองก็มีการเคลื่อนไหวแค่ศีรษะแล้วก็เนี่ยช่วงบนเนี่ยไหล่เนี่ยส่วนล่างเนี่ยมันจะเคลื่อนไหวเองไม่ได้จะถูกตรึงแน่นเหมือนติดอยู่ใน ก็พุ่มเหล็กๆเกงี่ยนะเกิดจะสึกอึดอัดเวลาพูดแต่ละครั้งเวลาขยับตัวแต่ละครั้งเนี่ยมันมีการอึดอัดอยู่ในตัวแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องทําหน้าเศร้าๆไม่เกรงใจคนพิการเลยปล่อยคนวิจาร์นั่งยิ้มอยู่ได้ถ้าคนฟังทําหน้าเกลียดชีวิตของเราเนี่ยมันไม่แน่นอนหรอกมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลาชีวิตไม่แน่นอนมันเปลี่ยนแปลง ที่อาจจะไว่บ้างช้าบ้างผมเองนี่แต่ก่อนเป็นนิสิตนักศึกษาก็มีความฝันนี่อย่างหนึง่งอยากจะเรียนให้จบความฝันใกล้ๆนะในระหว่างเรียนนี่ก็อยากจะเป็นนักกีฬาทีมชาติสูงสุดแค่ทีมชาติกั็พอจแลชีวิตนี้ให้ติดตรงชาติว่าไทยแลนด์ที่จริงเขาก็มีอยู่นะติดได้แต่เราไม่ใช่นักกีฬาทีมชาติเราไม่กล้าติด เป็นนักกีฬาประเภทไหนก็ได้ขอยมีชื่อเสียงในด้านการเป็นนักกีฬาทีมชาติความฝันสูงสดุดต่อมาเรียนหนังสือระดับมหาวิทยาลัยศีนักลินวิโรธพระราชศึกษาก็มีความใฝ่ฝันว่าถ้าเราจบไปแล้วเนี่ยเราต้องเป็นครูบาอาจารย์ทางด้านพระรศึกษาเพราะว่าที่ชอบเล่นกีฬาชอบสอนเรื่องกีฬาชอบตัดสินชอบแข่งขันมันเกี่ยวกับชีวิตเราทั้งนั้นเลย เราทำในสิ่งที่เราชอบการเรียนมันก็เลยสำเร็จได้ง่ายๆก็ทั้งสอบบรรจุเป็นอาจารย์สอนในวิทยาลัยภาษาอีกโอ้ประสบความสำเร็จมากัง่ว่าในทางโลกก็แค่นี้พอแล้วพอแล้วแต่พอเริ่มทํางานเนี่ยมันก็มีฝ่ายฝันไปอีกแบบมันก็เลิกจากไอ้อุดมคติเดิมเนี่ยมาตั้งเป้าหมายแบบใหม่โอ้เราทางานเนี่ยเราต้องทางาน้ดีที่สุด จะตั้งใจทํางานจะไม่ขัดแย้งกับผู้บังคับบัญชาถือสุภาษิตที่ว่าเป็นผู้น้อยค่อยก้มพนมก่อนลําบากซิก่อนค่อยสบายเมื่อปลายมือไม่ใช่ค่อยตายเมื่อปลายมือนะเมื่อก่อนก็ก็คิดนงั้นแล้วตอนหลังลำบากอีตอนที่เริ่มต้นทํางานก็เป็นอย่างเงี้ยแต่พอทํางานแล้วเนี่ยโอ้เรายัางใช้คติเดิมครึ่งเดียวเป็นผู้น้อยค่อยก้มพนมก่อน ปลายซะก่อนค่อยสบายเมื่อปลายมือเพราะงานมันหนักเข้ามาันเริ่มมีความลําบากมันเริ่มมีความคิดแล้วแต่ก็ยังอ่อนน้อมอยู่นะยังคิดว่าการที่อ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยมันชจยทําให้ชีวิตเราเจริญก้าวหน้านดก็ตั้งความหวังว่าจะทํางานให้ดีที่สุดจะได้มีตําแหน่งสูงๆมีเงินเดือนได้เงินมาก็จะปลูกบ้านให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็จะบวชจะมีครอบครัววาดฝันไว้ไกลเลย อันนี้คือความฝ่ฝันเป็นความหวังแต่ว่าก็พยายามที่จะสร้างความฝันให้เป็นความจริงขึ้นมาก็ไปได้ไม่ตลอดนะจนกระทั่งทำงานได้สามปีก็ประสบบทเหตเหหุเริ่มละเริ่มมีความไม่เที่ยงของชีวิตละขณะที่กำลังสอนไปน้ำกระโดดน้ำลงไปเนี่ยเกิดพลาดท่าศีจ่าไปถึงพื้นก้นสัก์ก็มีผลทำให้กระดูกเนี่ยหักคุณหมอก็แก้ไขไม่ได้ อ่าเลยต้องมาใช้ชยุทธ์แบบพิการตลอดชีวิตยอย่างเงี้ยมันพลิกเปลี่ยนไปโดยช่วงแค่กระโดดด้านลงไปเนะี่ยโผล่ขึ้นมานี่ไม่เหมือนเดิมแล้วไม่เหมือนเดิมแล้วไม่เกินห้านาทีนะโอ้ชีวิตเปลี่ยนจากคนที่มีร่างกายเป็นปกติกลายเป็นคนพิการไปเลยสัจธรรมของชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นแล้วตอนนั้นไม่เข้าใจโอทําไมเนาะทําไมเราต้องเป็นอย่างนี้ทําไมถามมีคําถามอยู่เรื่อยเป็นคำถามที่ไม่มีคําตอบ โทษสิ่งโน้นโทษสิ่ง น, น, งนี้เป็นเพราะเราเป็นเพราะเราทําอย่างนั้นจะเกิดจะนี้ความไม่เที่ยงของชีวิตเนี่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้มีความทุกข์ไม่ได้มีปัญหาตลอดไปหรอกตอนนั้นความหวังที่จะมีชีวิตรุ่งโรจน์เปลี่ยนเลยจะทํำยังไงที่ให้มันพ้นจากปัญหาตรงนี้ไปได้มามุ่งที่มีความฝันแบบใหม่จะทําไงให้พ้นจากความทุกข์ที่เรามีอยู่คิดแก้ไขหาความสุขก็ไม่ได้ ในสภาพที่เป็นทุกข์อย่างเงี้ยหาความสุขไม่ได้สุขก็สุขแบบกรบเปลี่ยนพวกเราเคยไหมเวลามีความทุกข์นี่ก็ไปดูหนังฟังเพลงหาสิ่งอื่นมากรบเปลี่ยนทุกขในใจเราคนทุกคนก็เป็นอย่างนี้แหละทําไมเราจึงอยู่กับตัวเองไม่ได้ะเพราะมันมีความทุกข์ความเหงาจึงต้องหาสิ่งอื่นมากรบเกลี่ยนผมก็เช่นเดียวกันแต่สภาพสังคมที่มันหาไม่ได้แล้วมันหมดสนุกแล้ว ม, มันเซ็งหมดแล้วไม่ใช่ว่าอิ่มนะ เพราะามันไม่สามารถจะแสวงหาความสุขแบบคนทั่วไปได้ก็เลยเกิดความคิดแบบใหม่แล้เราจะอยู่ยังไงให้มันมีความสุขทันที่จะไปแสวงหาความสุขก็กลับมาคิดว่าเอ๊ะอยู่ให้มันมีความสุขมันไม่ได้หรือถ้าจะอยู่ให้มีความสุขเนี่ยมันสุขไปไม่ได้หรอกถ้าไม่เอาความทุกข์ออกก็เรื่องความสุขเลิกกันไปก่อนหันมาเปลี่ยนชีวิตใหม่อ๋อจะทํายังไงที่เอาทุกข์ออกจากจิตจากใจเห็นไหม มันใกลใ้ตัวเองมาทุกทีเลยจะทํายังไงที่จะให้ทุกมันออกไปจากจิตจากใจได้มันก็ไม่มีข้อมูลม น, น่ะว่ายุทําำยังไงเหมือนกันเห็นไหมเพราะมันเปลี่ยนเป็นระดับระดับไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยก็มันเริ่มเข้าหาการแก้ปัญหาตัวเองยชัดเจนมันก็เป็นความรู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นความหวังความฝ่ฝันแล้วก็ตามเนี่ยที่เรามีไว้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้ทุกเวลา ให้เหมาะสมกับสถานการณ์เช่นนั้นเพราะฉะนั้นที่เรามาได้ยินได้ฟังเนี่ยบทีอาจจะเป็นแนวทางเราเรียนหนังสือหรือการใช้ชีวิตเนี่ยเราจะมีความรู้อแบบหนึ่งเป็นความรู้ภายนอกตัวเรืว่าเป็นความรู้ทางโลกโลกก็ได้ความรู้ที่เราได้รับเนี่ยเราได้ยินได้ฟังมาอนการเรียนหนังสือแต่ละครั้งเนี่ยเราจะรู้แบบรู้จา รู้จำใครจำมากใครจำเก่งโอ้เป็นคนที่มีความรู้รู้จำดีนะจำมากมากนี่ก็ดีวิชาการเรื่องความรู้แต่ถ้าไปยึดมั่นถือมั่นในความจำมากแล้วก็มันเครียดรู้เรื่องมากก็เครียดจำมากก็เครียดต้องรู้จักรู้จักใช้จำมากก็มีความรู้มากถ้าไม่รู้จักปลดปล่อยเนี่ยมันจะเครียดบางคนเครียดมากเลย ทำไมเราเป็นคนขี้ลืมทำไมเราขี้ลืมดีแล้วมาลืมซะบ้างก็ดีเราจะจำทุกอย่างในชีวิตเนี่ยโอ้โหกว่าจะตายที่ดูนะเดียงอายุมากีจำมากไอ้ที่ใส่ข้อมูลมันจะไม่พอความรู้เกิดจากความจำอย่างนหนึ่งคือความรู้เกิดจากความคิดใครคิดเก่งจำเก่งก็ต้องคิดเก่งคิดเป็นเหตุเป็นผลเป็นลำดับขั้นอันนี้ก็เป็นความรู้แต่ลื ม, มว่าความคิดเนี่ย มันเหมือนดาบสองคมนะคิดมากบางทีก็เกลียดมากจึงต้องมีการผ่อนคลายความรู้เกิดจากความคิดอันนี้มีประโยชน์ทุกวันเนี่ยเราก็ใช้ความรู้แบบเนี้ยมากหนังสือออกมาเป็นเล่มๆ เ, เนี่ยความคิดั้งนั้นก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้นะเพียงแค่รู้จํารู้จักแล้วก็รู้จักคิดเอามีขั้นหนึ่งความรู้เกิดจากได้สัมผัสกับสิ่งนั้นเป็นประสบการณ์เลยอย่างผู้ที่มีอาชีพพยาบาลเนี่ย ก็ไปสัมผัสกับคนป่วยคนไข้เข้าไปดูแลไปฉีดยาไปทําความสะอาดไปทํากายภาพไปช่วยเหลือเขาอั น, นได้ฝึกทักษะอันนี้ก็เป็นความรู้เกิดจากการได้สัมผัสอันนี้จะรู้จริงหน่อยถ้าพูดก็พูดได้แล้วก็เขียนหนังสือเป็นตําราได้มากมายเพราะได้สัมผัสอันนี้ก็จริงแต่ก็ยังเป็นความรู้นอกตัวอยู่เดียว เวลาเกิดปัญหาพยาบาลก็ยังร้องไห้อยู่ยังต้องกินยา น, นอนหลับยังฆ่าตัวตายก็มีเป็นความรู้นอกตัวเมื่อเกิดปัญหาแล้วมันแก้ปัญหาตัวเราไม่ได้อันนี้เป็นความรู้ข้างนอกเราจะเห็นว่าระดับความรู้เนี่ยมันประโยชน์แต่ละขั้นตอนขั้นตอนเราเรียนรู้เพื่อจะให้มีอาชีพเพื่ออาชีพเพื่อเงินเพื่อการอยู่ได้อันนี้ส่วนหนึ่งนะ แล้วก็เพื่อตําแหน่งเพื่อคำสารเสริญเยินยอคำสรรเสริญและเพื่อความสุขอันนี้ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องเจอแบบนี้อันนี้เป็นฝ่ายรุกและฝ่ายรับละ่ะบางทีเราก็ไม่ได้ที่เราหวังไม่ได้อย่างใจหวังตําแหน่งก็ไม่ได้บางทีเงินก็ไม่ได้ถูกโกงถูกลักกโมยบางทีทำดีแล้วไม่มีใครมาชมว่าเราดี ไม่มีคำสรรเสริญยันยอมีคําติดชินนินทาชีวิตไม่ได้แรงใจหวังใหทุกข์แล้วฝ่ายรับเนี่ยเรามีอาจจะแก้ไขไหมเราจะแก้ไขตัวเองได้ไหมเวลามันเกิดความที่ว่าต้องเนฝ่ายรับขึ้นมาเนะี่ยคือเวลามีความทุกข์สู่ใจเราทุกอย่างไม่มีแรง ใ, ใจหวังเราไม่อยากให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยกายป่วยใจก็เป็นทุกข์บางทีมีโรคร้ายรุนแรง เราก็ทําใจไม่ได้อันนี้เป็นความรู้ที่เราไม่เคยรู้จักตัวเราเลยวันทีต้องตายเนี่ยเราทําใจไม่ได้เรู้ว่าจะต้องตายในใจก็เป็นทุกข์ความพัดพลากสิ่งนี้คือทุกคนจะต้องได้ผเผชิญหน้าจะได้เจอแน่นอนเรามีวิธีการจะตั้งรับกับปัญหาแบบนี้หรือไม่ทุกวันเนี้เราเรียนแต่วิธีรุกรุกเพื่อให้ได้มาให้ได้มาใช่ไหมแต่เวลามันไม่ได้เนี่ยเราไม่มีวิธีการตั้งรับ ไม่มีสถาบันไหนสอนเรื่องการตั้งรับในการทำใจทำใจได้เนี่ยไม่มีใครสอนเพราะนั้นการศึกษาจึงมีสองอย่างศึกษาจากภายนอกเพื่อมาประกอบอาชีพเพื่อมาใช้ชีวิตในสังคมกับการศึกษาในตัวเพื่อการแก้ปัญหาเรื่จิตใจเวลามันเกิดความผิดพลาดผิดหวังขึ้นมาจึงมีวิชาสองอย่างนอกตัวกับในตัวแต่ทั้งคู่ต้องใช้ไปด้วยกันนะ ต้องใช้ทั้งคู่ในโรคเนี่ยศึกษานอกตัวศึกษาในตัวการศึกษาในตัวนั้นก็คือการมารู้จักตัวเราซึ่งน่าศึกษาก่อนอย่างอื่นที่ซ้ำไปการมารู้จักตัวเราเนี่ยเราจะได้ใช้ตัวเราอย่างถูกต้องและก็ไม่ผิดพลาดจะว่ามีความสุขก็ได้ที่เรามีความทุกข์มีปัญหาชีวิตเพราะว่าเราใช้ตัวเราไม่ถูกต้องไปขัดกับอะไรบางอย่างของกฎของธรรมชาติ เราเคศึกษาในตัวไหมอันนี้ไม่จะถามเพื่อจับผิดนะถามเพื่อย้อนดูว่าเราควรจะทำไหมเรียนศึกษาไห ม, ไมการศึกษาในตัวนั้นเขาเรียกว่าการรู้สึกตัวรู้สึกบว ก, กับตัวต้องคำรู้สึกคือสติตัวคือกายคือใจที่เรายึดติดว่าไอ้กายเนี้ยใจเนี้ยมันเป็นตัวเราของเราอันเนี้ยคือตัวที่เราต้องเป็น อุปกรณ์ให้เราศึกษาผู้ศึกษาคือสติศึกษาเรื่องตัวเราถ้าศึกษาเรื่องตัวเราใหม่แล้วก็ความทุกข์ใจจะไม่เกิดขึ้นเลยมันจะมีแต่การแก้ปัญหาแม้ว่าสิ่งนั้นจะแก้ปัญหาภ้างนอกไม่ได้แต่ใจก็จะแก้ปัญหาได้การรู้สึกตัวเนี่ยมีได้ทุกที่ไม่ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ไม่ต้องไปที่วัดไม่ต้องบวชอยู่ที่ไหนก็ศึกษาหรือรู้สึกตัวได้ เนี่ยมันง่ายนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยง่ายกว่าการเรียนวิชาอื่นที่ซ้ําไปวิชารู้สึกตัวเนี่ยอย่าตอนเนี้ยถ้าเรารู้ว่าเรานั่งเนี่ยกำลังนั่งฟังเนี่ยเนี่ยเรารู้สึกตัวแล้วเห็นไหมง่ายไหมกลับมาย้อนดูตัวเราท่านเองอะ่ะการศึกษาตัวเราเนี่ยคือการย้อนมาดูตัวเราดูกายดูใจเราถ้านั่งรู้ว่าเรากําลังนั่งฟังอยู่เนี่ยอันนี้ศึกษาแล้วเนี่ยแค่เป็นจุดเริ่มต้น ถ้าเราไม่มารู้ตัวขณะฟังเนี่ยใจเราก็จะเลื่อนลอยเม่อยลอยดูเวลามั่งหรือเบื่อมั่งเห็นไหมลืมเนื้อลืมตัวเรามารู้ตัวเราอ๋อเนี่เรากําลังนั่งฟังเดินเราก็รู้เรากําลังเดินจะทําอะไรก็ตามในชีวิตประจำวันเนี่ยเราสามารถรู้ตัวได้หมดเลยถ้าเราไม่รู้ตัวกับการใช้ชีวิตเนี่ยจิตใจเราก็จะเมือยลอยจะฟุ้งซ่านงานก็ผิดพลาดงานผิดพลาด ก็ไม่ได้ดังที่เราใจหวังนะเราตั้งใจว่าใช้จบงานเสร็จอย่างนี้นะไม่ผิดพลาดเนี่ยถ้าเราลืมเนื้อลืมตัวเนี่ยงานก็จะผิดพลาดจะหลงลืมไปหมดเลยเพราะฉะนั้นการมารู้สึกตัวเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ทําได้ทํางานอะไรก็รู้สึกตัวได้ใจมันจะไม่เลื่อนลอยจะอยู่กับเนื้อกับตัวเวลาเรียนหนังสือเนี่ยถ้าเรียนแล้วใจวเราเลื่อนลอยเนี่ยมันจําบทเรียนไม่ได้หรอกมันจะฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นสําคัญมากวิชารู้สึกตัวเนี่ย ใจมันอยู่กับปัจจุบันอยู่กับงานอยู่กับปัจจุบันเนี่ยอันนี้เรื่องของร่างกายเนี่ยก็ลองมาดูตรงนี้ดูถ้าเรามีความรู้สึกตัวนานๆกับตัวเรานานๆเนี่ยใจมันจะมีการผ่อนคลายนะจะมีการผ่อนคลายไอ้ที่จิตไม่ผ่อนคลายเพราะเราไปเครียดเครียดกับเรื่องอดีตเรื่องอานาคตเอาสิ่งนู้นสินี้เข้ามาชุมนุมในจิตใจเราหมดเลยไม่มีความรู้สึกตัวแต่เนื่องจากว่าชีวิตเราเนี่ยมันห้ามไม่ได้เรื่องของความคิดนึก แต่ถ้าเรามีสติรู้ทันเนี่ยอันเนี้เป็นการรู้สึกตัวได้เหมือนกัน ร, รู้วอ๋อมันคิดแล้วนะเนี่ยมันฟุ้งซ่านไปแล้วมันจับหลักเลยตรงเนี้ยตรงที่มีความรู้สึกตัวเนี่ยถ้านั่งอยู่ไม่มีสติไม่มีความรู้ตัวเนี่ยจิตมันก็จะเมอลอยเหมือนไม่มีชีวิตใจเรื่อนลอยมันซากศพเป็นการอยู่ได้ในปัจจุบันอย่างมีสติอันเนี้สําคัญเลยนะเป็นการศึกษาตัวเองถ้าหากว่าเรามีสติมีความรู้สึกตัวอยู่เสมอเสมอเนี่ย จิตมันจะเพลินเพลินกับการทำงานเพลินกับการทำหน้าที่เนี่ยความสุขจะเกิดขึ้นในชีวิตปัจจุบันเลยไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนมันมีอยู่แล้วมันสำคัญที่ว่าเรารู้สึกตัวไม่ได้ดูตัวเองไม่ได้เพราะมันจะมีความคิดมีความคิดความคิดเนี่ยมันจะดึงจิตดึงใจให้ลอยไปกับอารมณ์ตรงนี้แหละเราจะเผลอตัวเราจะศึกษาตัวเองไม่ได้กับตรงนี้แหละ ที่เรามารู้สึกตัวทุกวันเนี่ยให้มีสติอยู่กับตัวเองเนี่ยก็เพื่ออะไรเพื่อให้รู้ทันความคิดเพราะความคิดเนี่ยมันสร้างปัญหากับชีวิตเราเห็นไหมความสุขความทุกขเกิดจากจิตใจที่มันคิดมา น, นึกทางนั้นสุขทุกไม่ใช่ร่างกายนะร่างกายไม่เกี่ยวแต่จิตใจต่างหากเป็นผู้ที่รับความสุขรับความทุกข์รับรู้ปัญหาหรือการแก้ปัญหาเกิดขึ้นที่จิตใจทางนั้น สังเกตดูเวลาเราเกิดความคิดตัวตนจะเกิดขึ้นทันทีตัวตนเกิดจากความคิดนะถ้าเราไม่คิดตัวตนไม่เกิดขึ้นตัวตนเกิดจากความคิดอย่างเช่นเวลาเราเกิดความอยากอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งเคยไหมเคยอยากได้สักอย่างไหมเสื้อสวยพอมันคิดอยากขึ้นมาเนี่ยเราทำอย่างไรโอ้เราเชื่อเลยความอยากได้เป็นตัวเราแล้วก็ทําตามความอยากบางคน รู้สึกเสียดายแล้วก็เสียใจเพราะาเราไม่น่าทำตามความอยากตรงนี้ไปเลยเพราะเราขาดความรู้สึกตัวรู้ไม่ทันความคิดตัวเองหลงผิดคิดว่าความคิดเนี่ยเป็นตัวเราบางคนเกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจอึดอัดขัดเคืองแล้วก็ไอ้ความโกรธได้เป็นตัวเราโอ้ยนี่เราโกรธนะแล้วก็ทำตามด้วยต้องรีบไปต่อว่าต้องไปด่าเขา ต้องรีบทาเลยนะไปเดี๋ยวมันจะหายซะก่อนต้องรีบไปต่อว่าซะก่อนเดี๋ยวมันจะลืนนี่มันจะหายซะก่อนโอ้โอาสาเก็บความโกรธไว้ต้องคืนหนึ่งตอนเช้าอดทนอีกสักวันหนนะต้องไปต่อว่ามั้ยเพราะเราไปเชื่อความคิดแต่ถ้าเรามีความรู้สึกตัวเนี่ยเราจะรู้ทันในความคิดอยากหรือไม่อยากถ้ารู้ทันแล้วเนี่ยจะเป็นอิสระเลยจะออกมาดูว่าความอยากนี้ มันเป็นประโยชน์กับเราไมมันให้โทษกับเราหรือเปล่าเราควรจะทำตามความอยากได้ไหมโดยว่าความโกรธเขาที่บอกว่าเวลากดนับหนึ่งถึงสิบถึงร้อยอันนั้นก็ดีอยู่เขาเรียกเป็นการกดทับเอาชนะด้วยอาศัยการกดทับแต่ว่าถ้าเรารู้สึกตัวเท่าทันในความโกรธขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องนับหรอกความโกรธก็จะหายไปเลยเอาชนะได้ทันทีเลย เพราะ้นเวลาเราเกิดความคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยให้มีสติรู้ทันอ๋อนี่มันคิดแล้วจะคิดดีหรือไม่ดีก็ตามให้รู้ทันไว้ให้รู้เฉยเฉยเนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้ความคิดเน่ะจะค่อยสลายไปการรู้แต่ละครั้งเนี่ยเป็นการไม่เข้าอยู่ในความคิดมันออกมาเป็นผู้ดูแล้วนะออกเป็นผู้รู้แล้วแค่รู้เฉยเฉยเนี่ยจิตก็จะเป็นอิสระอยู่เหนือความคิดก็ ค, คิดก็จะหายไปการทําความรู้สึกตัว ทุกเวลาทุกนาทีเนี่ยเหมือนกับเป็นการเลี้ยงแมวเอาไว้เลี้ยงแมวไว้ทำไมเอาให้มันจับหนูใช่ไหมแมวกับหนูเนี่ยมันอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกไม่มีแมวกับหนูที่ไหนมันจูจีกันหนูมันกลัวแมวแมวมันก็ชอบจับหนูก็มีแมวบางประเภทอะเป็นพวกแมวคิดมากอย่างแมวโดนเลมอนเนี่ยให้มันกลัวแต่หนูมันไม่กล้าจับหนูหรอกเพราะฉะนั้น ทุกครั้งที่เรามีความรู้สึกตัวอยู่กับตัวเองเนี่ยเหมือนเป็นการให้อาหารแมวเพื่อป้องกันความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดถ้ามีความรู้สึกตัวแล้วเนี่ยความคิดความหลงเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกถ้าอยากจะมีปัญหาชีวิตที่แก้ไขได้หรือแก้ปัญหาชีวิตได้โดยเพราะเรื่องความทุกข์เนี่ยให้เราขยันสร้างความรู้สึกตัวไว้มันจะเอาชนะได้ เพราะมีความรู้สึกตัวแล้วความคิดหรือความทุกข์จะเกิดขึ้นไม่ได้สองอย่างนี้จะเกิดขึ้นพร้อมกันไม่ได้นะการใช้ชีวิตประจำวันแต่ละวันเนี่ยท่านๆอย่างเนี้ยนั่งก็รู้สึกตัวว่าเรานั่งยืนก็รู้ว่ายืนจะทำแล้วก็ตามให้รู้รู้ตัวไว้โทรศัพท์ก็รู้สึกตัวได้ขับรถก็ทำได้ชีวิตจะปลอดภัยจากอารมณ์หรือความคิดที่มามาปรุงแต่งในใจเรา อย่างเนี้ยกำลังฟังเนี่ยหลายคนที่รู้สึกตัวการฟังอันนี้จิตมันจะเป็นปกติไม่เกิดปัญหาง่ายๆเมื่อเรามีความสุขตัวดูตัวเราเสม อ, เสมอๆเนี่ยมันจะมีคุณธรรมเกิดขึ้นรู้จักคาว่าคุณธรรมไหมคุณธรรมนี่หมายถึงคุณความดีที่มีขึ้นในตัวเราคุณธรรมคือคุณงามความดีที่มีขึ้นในตัวเราจะมีคุณงามความดี อย่างน้อยเมตตากรุณานี่ยก็มีขึ้นการพูดจาเนี่ยจะอ่อนน้อมถ่อมตนบางครั้งเนี่ยคนส่วนมากเนี่ยมีทำข้อหนึ่งที่ว่ามักจะทํามไม่ค่อยได้ก็คือเวลามีใครเขาประสบผลสำเร็จในชีวิตประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานเราไม่ค่อยจะปโวยพอหรือยินดีด้วยความจริงใจหรอกขอแสดงความยินดีด้วยบางทีก็พูดไปอย่างนั้นแหะแต่ใจไม่ค่อยแสดง เหมือนย่งเปการมีความอิจฉาลิษยายในตัวไม่ค่อยแสดงความยินดีแต่เวลาคนเราเนี่ยมีปัญหาชีวิตต้องการความช่วยเหลือเรามากักจะชอบช่วยเหลือชอบช่วยเขาแต่ไม่ค่อยแสดงความยินดีเมื่อเขาได้ดีอันนี้เกิดจากคุณธรรมส่วนหนึ่งหายไปคือความอิจฉาลิสยาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแทนคุณธรรมที่จะพลอยยินดีเนี่จะไม่ค่อยเกิดขึ้นสังเกตดูไหมบางทีก็ตบมือไปอย่างนั้นอะ แต่ในใจนี่ไม่ทราบซึ้งสวัสดีครับสวัสดีค่ะแต่ใน ใ, นใจก็มันผ่านไปจิตที่คิดจะอวยพรเขายินดีเขาเนี่ยมันดีดีกว่าจิตที่คิดอิจฉาริษย า, ยาเห็นไหมต่างกันเลยจิตที่คิดจะอนุโมทนาเขายินดีกับเขาเนี่ยจะดีมากเลยเพราะฉะนั้นคุณธรถมคนเนี้ ถ้าเรามีความรู้สึกตัวอยู่กับตัวเรามีการตระหนักรู้เรื่อยๆ เ, เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเองเวลาใครประสบผลตะเริดในชีวิตจะไม่รีรอที่จะแสดงความยินดีด้วยความจริงใจเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบช่วยเหลือมีความเมตตากราุณาเห็นใครเดือดร้อนก็ไม่รีรอที่จะช่วยเหลือก็คุณธรรมของคุณพยาบาลก็อะเมตตากราุณา อันความกรุณาปราณีจะมีใครมาบังคับก็หาไหมบางทีก็ต้องบังคับแต่ถ้าเรามีความรู้สึกตัวมีสติจะเกิดคุณธรรมข้อเนี้ยมาจากน้ำสายใจจริงไม่ต้องเสแสรมันเป็นไปเองนะของมันเป็นเองได้เพียงแต่เรามีความรู้สึกตัวมีสติเนี่ยมันเกิดขึ้นเองคนบางคนเนี่ยในชีวิตนี่ไม่เคยให้ใครเลยไม่เคยมีอะไรให้ใครเลย มีแต่ขอเขาเห็นแก่ตัวเพราะเราว่ามีพ่อค้าคนหนึ่งเป็นคนที่เห็นแก่ตัวมากไม่เคยให้ใครแต่ว่าชอบเอาขอคนอื่นเป็นพ่อค้าคนหนึ่งที่เห็นแก่ตัวมากวันหนึ่งพ่อค้าคนนี้ตกไว้ในน้ำก็หลายคนพยายามช่วยเหลือพูดว่ายื่นมือมานี่ยื่นมือมานี่พ่อค้าไม่ยอมยื่นมือยื่นมือมานี่ก็ไม่ยอมยื่นมือแต่มี หนุ่มคนหนึ่งที่มีความฉลาดเข้าใจถึงอุปนิสัยของพ่อค้าคนนี้ดีเปลี่ยนการพูดหมายว่าคว้ามือฉันนี่คว้ามือฉันนี่โอ้พ่อค้าบอกคว้ามือฉันนี่เนยคว้ามับเลยไอความที่ไม่เคยให้ใครนะเราก็บอกยื่นมือมา น, นีไป่กล้ายื่นเดี๋ยวต้องให้เขาพอเปลี่ยนว่าคว้ามือฉันนี่โอี่ยอยืนรับยฉลาดนะหนุ่มคนนี้รู้จักอุปนิสัยใจคอเขาจะบอกว่า คนที่ชอบให้เนี่ยมักจะเป็นสิ่งที่รักของคนที่ชอบขอแต่คนที่ชอบขอนี่มักเป็นสิ่งที่น่าลังเกตคนที่ชอบให้ถ้าเรามีความรู้สึกตัวมีสติอยู่กับตัวเราเนี่ยคุณธรรมเขาเนี่ยจะมีขึ้นมากคือชอบช่วยเหลือชอบให้ชอบเสียสละมักจะมองโลกในแงด่ดีมองโลกในแงด่ดีมองอย่างไรคือมองในด้านบวก มากกว่าด้านลบชีวิตเราในมีบวกมีลบเวลามีความสุขอ้อชีวิตเป็นบวกมีบุญแต่เวลามีความทุกข์ชีวิตเป็นลบโมบาปกำลังส่งผลแต่เราสามารถเปลี่ยนบาปเป็นบุญได้เปลี่ยนร้ายเป็นดีได้เปลี่ยนลบเป็นบวกได้ด้วยการรู้จักมองรู้จักคิดสิ่งสิ่งหนึ่งที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้คืออุปสรรคแลว้วก็ปัญหาไหนชีวิตใครไม่มีอุปสรรคเลยบ้างทุกคนมีอุปสรรคและปัญหา เราจะเผชิญหน้ากับปัญหาและอุปสรรคนั้นได้อย่างไรต้องเผชิญ น, นะจบไปแล้วต้องทํางานหรือตอนนี้ก็บางคนก็เจอแล้วอุปสรรคพยายามพลิกจิตมองในแง่ดีบ้าอุปสรรคนั้นจะดีปัญหานั้นดีมันเป็นสิ่งที่ท้าทายถ้ามองว่าปัญหาคือสิ่งท้าทายการท้าทายเนี่ยทําให้ติดกระตือรือล้นนะพวกเราคิดอย่างนั้นไหม ถ้าบอเออแย่แล้วเราท้อแท้เนี่ยมันไม่กระตือรื้นหรอกมันหงอยเหงาคนซึมเศร้าเพราะว่าท้อแท้กับอุปสรรคแต่ถ้าเกิดการท้าทายไม่เป็นไรไม่เท่าไหร่หรอกเรายังมีโอกาสอยู่เกิดการท้าทายในยจิตจักระตือหรือร้นเลยมันจะเปลี่ยนอุปสรรคเนี่ยมาเป็นปัญญาเป็นอุปกรณ์ให้การใช้ชีวิตได้ผมเองก็เคยคิดเหมือนกันเวลาร่างกายต้องพิการอย่างเงี้ยจิตใจก็ผิดหวังเนี่ยจะทํำยังไงดี คิดทอ้อแท้มันก็ทอ้อแท้แล้วมันก็ต้องทําอะไรไม่ได้เหมือนกันนะแต่ามาเปลี่ยนใหม่โอ้ไม่เป็นไรแล้วเราก็ศึกษาเรียนรู้กันแล้วกันก็สายการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะคิดว่าโอ้ชีวิตนี่มันไม่ใช่เรื่องที่จะมาต่อสู้จะต้องมาทอ้อแท้เปลี่ยนเอาปัญหาอุปสรรคเนี่ยมาเป็นการเรียนรู้ซะเลยปัญหามันมีมากนะเรียนรู้มัน อาศัยสติเนี่ยเรียนรู้มันเรียนรู้จักชีวิตเรียนรู้จักใช้ปัญหาเรียนรู้เพื่อเกิดความรู้เกิดประสบการณ์มันก็เป็นหินลับปัญญาได้เหมือนกันนะอุปสรรคเนี่ยเป็นหินลับปัญญาให้เราเกิดการฉลาดรู้จักตัวเราเองแล้วก็เข้าใจคนอื่นด้วยเนี่ยมันยหยบตรงนี้หนละ่ะเจออุปสรรคอย่าท้อถอยให้ท้าทายท้าทายแล้วก็ลองทําดูคิดว่าเราทําไม่ได้แต่เราทําดูก่อน เดี๋ยวมันก็เกิดปัญญาที่เราจะแก้ไขได้ถ้าเราบอกทําไม่ได้แล้วไม่ทําเนี่ยรับรองไม่ได้ <S <S เขาจะบอกว่า <S <S ยืนแล้วก้าวไปข้างหน้าแล้วก็ล้มก็ดีกว่ายืนแต่ท่าอยู่กับที่มันซึ่งไม่ได้เลยเลยไม่มีประสบการณ์ในการล้มเลยทุกคนเคยหัดขี่จักรยานใช่ไหมการขีข่จักรยานเนี่ยเราคิดว่าเราขี่ไม่ได้หรอกแต่พอเริ่มต้นขี่มันล้ม ล้มแล้วเราก็ขี่ล้มแล้วลุกมาขี่การล้มแล้วก็ลุกมาตั้งใหม่แต่ละครั้งเนี่ยเป็นการสอนให้เราขี่จักรยานเป็นอุปสรรคหรือปัญหาก็เช่นเดียวกันเมื่อเจออย่าท้อถอยลองฝืนลองฝ่าฟันดูนสักหน่อยเดี๋ยวเราจะเกิดความชนานํานาญเกิดประสบการณ์ตอนนี้ทําไม่ได้ถ้าทําต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ได้ไปเองเป็นการมองโลกในแงด่ดีปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเรามองไปในแงด่ดีสับ้างเนี่ย อารมณ์เราก็จะดีนะการกระทบอารมณ์ก็จะดีแล้วสิ่งที่ตอบแทนเนี่ยเป็นสิ่งดีๆทั้งนั้นเลยอันเนี้ยมันเป็นการท้าทายคนจะท้าทายดนั้นมันต้องมีสติต้องมีสติแล้วท้าท า, ายได้มองโลกในแง่ดีได้ที่สําคัญก็คือการที่กลับมาดูตัวเองบ่อยๆย้อนดูตัวเองบ่อยๆเนี่ยทาให้ชีวิตมีความสุขชีวิตจะมีความสุขได้ต้อง มาทำความเข้าใจกับตัวเราด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยเราจะรู้เท่าทันปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาได้ถูกต้องเมื่อปัญหาถูกแก้ไขแล้วเนี่ยจิตจะอยู่เหนือปัญหาแล้วก็จะมีความสุขจะบริสุทธิ์เลยทุกจะไม่เกิดขึ้นแม้ว่าสถานการณ์บางอย่างเราไม่สามารถจะแก้ไขได้แต่ว่าจิตใจเราแก้ไขให้ไม่เป็นทุกข์ได้อันนี้ดีกว่า เหตุการณ์บางอย่างมันแก้ไขไม่ได้หรอกเราไม่สามารถจะบังคับใจใครให้เหมือนใจเราได้แต่เราสามารถทําใจเราให้เข้าใจเขาได้ดีนะเนี่ยการมาศึกษาตัวเองเนี่ยผู้สุดท้ายคือจะมีความสุขผู้เองหนิดแต่ก่อนไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนคิดว่าการมาศึกษาตัวเองมาดูตัวเองเนี่ยไม่มีความจําเป็นสู้เราขยันทํางานให้ได้เงินได้ตําแหน่งหน้าที่ก็เพียงพอแล้ว แต่พอร่างกายมีปัญหาต้องพิการตลอดชีวิตช่วยเราตัวเองไม่ได้ใจมันก็เหงาโอ้ความเหงานี่โหดร้ายมาเหงาเศร้าเซ็งเวลาพวกเราเหงา เ, าเวลาเบื่อเนี่ยเราไปไหนมาไหนก็ได้ใช่ไหมแต่ผมนี่คนพิการนอนอยู่บนเตียงไปไหนไม่ได้เนี่ยโอ้มันเครียดมากเลยมันแก้ปัญหาใจตัวเองไม่ได้เพราะความเหงาความเบื่อนี่ ไม่มีอะไรทําแล้วก็ทําอะไรไม่ได้ด้วยโอ้โหโ ห, หดลายมากวิชาความรู้ที่เราเคยร่ําเรียนมาเนี่ยมันช่วยอะไรเราไม่ได้เลยนะวิชาที่เราเรียนมาเนี่ยมันช่วยใจเราไม่ได้เลยไม่เปประโยชน์สำหรับเราเลยในยันที่เรามีความทุกข์สิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยไรสาระมากจนั้งเปลี่ยนวิธีคิดใหม่โอ้เราจะมาทุกข์ทำไมเราลองหาทางออกดูซิวิชาการที่เราเรียนมาเนี่ยมันใช่ไม่ได้ก็หาวิชาใหม่ หาวิชาการมาดูตัวเองเนี mm. ่ยเรียกว่าการปฏิบัติธรรมก็ได้ให้มารู้จักตัวเองคือการแก้ปัญหาจิตใจเราวิชาแก้ปัญหาจิตใจเนี่ยก็ต้องอาศัยธรรมะเป็นโอสถรักษาใจเราก็อยู่ด้วยการทำความรู้สึกตัวแบบนี้รู้จักกายรู้จักใจเห็นปัญหาที่มันทำให้เราเป็นทุกข์ ก็คือเรื่องจิตใจที่มันเกิดจากความคิดปรุงแต่งนั่นเองเราไปเชื่อความคิดว่าชีวิตนี่มันเป็นของเราจริงๆเราจะสามารถควบคุมมันได้แต่พอเราเริ่มปล่อยวางได้จิตใจก็เป็นอิสระปล่อยวางได้โดยการเจริญสติทำความรู้ตัวแบบเนี้ยจิตก็เป็นอิสระเนี่ยแม้ร่างกายพิการอยู่เนี่ยแต่จใจก็เป็นอิสระได้จากความพิการพอเริ่มเข้าใจตัวเราเข้าใจถึงความคิดนึกของเราอย่างใน ในโรงพยาบาลเนี่ยมีผแผนกแผนกหนึ่งเครือ่อแผนกขอให้เหมือนเดิมอะ่ะก็กายภาพบําบัดเนี่ยผู้คนเข้ามาใช้บริการใ น, ผนแผนกเนี้ยไม่ค่อยเหมือนเดิมอะหักไปบ้างเกินไปบ้างขาดไปบ้างไอ้ผมก็เคยใช้นะอยู่โรงพยาบาลเนี่ยกระดูกหักคุณหมอก็กระดูกที่เชียงกลานเนี่ยเลาะออกมาหน่อยหนึ่งม็ต่อที่กระดูกต้นคอเพื่อให้มันเหมือนเดิม แล้วก็ทํากายภาพลงไปทํากายภาพบําบัดเพื่อให้มันแข็งแรงเหมือนเดิมโอ้แต่สภาพอย่างผมนี่ยังไงยังไงก็ไม่เหมือนเดิมแล้วร่างกายต้องอาศัยการกายภาพบําบัดเพื่อให้เหมือนเดิมแล้วจิตใจจิตใจเนี่ยโอ้เป็นทุกข์มากเลยมันไม่มีห้องทําให้จิตใจเหมือนเดิมไม่มีโรงพยาบาลไม่มีห้องกายภาพจิตให้มันเหมือนเดิมไม่มีแต่ อาศัยธรรมบำ บ, บัดบำบัดติตให้เหมือนเดิมนธรรมนั้นมีสามคำคือรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนี่แหละรักษาจิตใจให้เหมือนเดิมได้แล้วก็ดีกว่าเดิมอีกจิตเดินไปจิต ท, ที่แย่มากมีแต่ความโลภความโกรธความหลงแต่ความรู้สึกตัวนี่บำบัดจิตให้ดีกว่าเดิมเนี่ยบริสุทธิ์ผ่องใสกว่าเดิมยิ้มได้แต่ก่อนยิ้มแบบแย่ๆแต่พอบำบัดจิตแล้วเนี่ยโอ้ธรรมโอสถช่วยได้ มาดูในภาพยนร์ได้ไหมโอหมอกําลังปั๊มอยู่เลยหมอชาวบ้านนะนวดบ้างบีบบ้างดัดตนเป่าบ้างสารพัดอย่าง <laughs> ไม่เหมือนเดิมเจ็บตัวด้วยแล้วเหน็ดเหนื่อยด้วยเสียเงินเสียเวลาไม่ยอมเหมือนเดิมแต่ธรรมะเนี่ยสามารถทำให้จิตใจเนี่ยเหมือนเดิมแล้วก็ดีกว่าเดิมได้ชีวิตทุกวันเนี่ยก็อยู่ได้ด้วยความรู้สึกตัวเท่านะั้นถ้าไม่มีความรู้สึกตัวนะจิตก็จะคิดฟุ้งซ่าน อดีตอนาคตอาจจะเป็นโรคจิตโรคประสาทไปแล้วก็ได้แต่อยู่ได้ก็เพราะความรู้สึกตัวในรักษาจิตใจไว้ให้เป็นปกติมีประโยชน์ตัวเนี้ยทำอย่างไรในระหว่างอยู่เฉยเนี่ยผมก็ไม่ได้นอนคิดเหมือนเดิมสมัยก่อนนะเนี่ยก็นอนพลิกมือเล่นแล้วก็รู้สึกตัวไปไหมนั่งไม่ได้เดินไม่ค่อยได้ก็นอนพลิกมือรู้สึกพลิกมือความรู้สึกพลิกมือหงายรู้สึกรู้สึกตัวกับการใช้ชีวิต การดื่มน้าการพลิกตัวการทานข้าวการขับถ่ายให้รู้สึกตัวว่าเรากาลังทำอะไรอยู่การมาอยู่กับความรู้สึกตัวเนี่ยทำให้จิตใจมันไม่เลื่อนลอยไปไหนแล้วมันเกิดความขยันนะถ้าเราอยากจะขยันเนี่ยให้เรากลับมารู้สึกตัวบ่อยๆมันจะขยันมันจะกระตือรือร้นผมเองเนี่แต่ก่อนไม่ค่อยได้ช่วยเหลือตัวเองเท่าไหร่ อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยคุณพยาบาลก็ให้ทํากายภาพบําบัดก็ทำไปอย่างนั้นอ่ะพอเขาเปิดเขาเจ้าคุยกันเวลาเราทํากายภาพบาักเขาหันไปคุยกันเวลาเขาคุยกันเราก็ไม่ทําแต่พอเขาหันมาดูด้วยมรารยาทล้วก็ดึงสักหน่อยดึงลอกทำกายภาพเพราะงานที่เราทําเนี่ยเป็นงานที่เราไม่ค่อยชอบแล้วก็มันไม่เขาเลยไม่มีฉันทะทไม่จะทำไปทําไมทําแล้วก็เดินไม่ได้มันคิดมากแต่พอเรามาทากความรู้ตัวเนี่ยมันเห็นประโยชน์ เห็นประโยชน์ของงานที่ทํามันก็เกิดความขยันเหมือนกันโอ้ขยันจิตระเสติขยันพยายามช่วยตัวเองมีหลายอย่างที่เราคิดว่าเราช่วยตัวเองไม่ได้หรอกอย่างคนพิการอย่างเงี้ยการพลิกตัวเนี่ยพลิกตัวไม่ได้มันลาบากแต่เราพยายามหาทางที่จะพลิกตัวเองช่วยเราตัวเองใช่ไหมคนเป็นอัมพาตเนี่ยถ้านอนนานๆก็จะเป็นแผลกดทับใช่ไหมต้องพลิกตัวบ่อย ถ้าญาติเข้าใจใส่ดูแลก็พิกได้แต่ถ้าเขาไม่ว่างเราจะทำอย่างไรล้วก็พยายามช่วยตัวเราเองหลายอย่างที่เราช่วยตัวเราเองไม่ต้องอาศัยคนอื่นมันเกิดการกระตือรือร้นขยันทํางานอย่างผมเนี่ยการขับถ่ายการอะไรจะไม่รู้สึกหรอกไม่รู้สึกจะต้องใส่ใสายยางต้องทําความสะอาดปัสสาวะอุจจาระไม่รู้สึก แต่พอเรามารู้สึกตัวบ่อยบ่อยมาดูตัวเราบ่อยบดูกายเราดูความคิดของเราเนี่ยมันเกิดการเรียนรู้ว่าอ๋อนี่เวลาเราปวดปัสสาวะเราปวดปัสสาวะนี่นจะมีอาการแบบนี้หนะ้าร่างกายมันจะบอกเลยแม้ว่ามันจะไม่มีความรู้สึกเทลายก็ตามแต่มันบอกบอกอาการเช่นการเต้นหัวใจในเต้นเร็วขึ้นมีการร้อนตามใบหน้าดูเส้นเลือดเส้นเลือดใหญ่มันมีการหดตัวโอ้นี่อาการปัสสาวะ ดูตัวเองแล้วช่วยตัวเองได้มีคอมฟอร์ตอยู่อันหนึ่งผมเรียกมือถือนะคว้าช่วยตัวเองถอดสายยางออกได้ไม่ต้องใช้สายยางสกรปรกไหมครับใช้คอมฟอร์ตช่วยตัวเองเนี่ยนี่คืออาการปัสสาวะมีปวดอุจจาะจะมีการอย่างนี้นะคนลุกชูชันโอ้พยายามช่วยตัวเองช่วยไม่ได้เรียกคนอื่นมาไม่สกรปรกไม่ลเลอะเทอะสมัยก่อนเนี่ยผมเนี่โอปัสสาวะลวเลอะเทอะ สนะซ ก, ก็ปลอกมากแต่ตอนหลังนี่พอเรามามีความรู้สึกตัวเนี่ยมันช่วยตัวเองเป็นหมอเป็นพยาบาลให้กับตัวเองเห็นไหมปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือตัวเองแท้ๆเคยแบ่งปันให้กับคนอื่นบอลองไปดูสิเวลาปวดปัสสาวะเราไปดูสิว่าเส้นเราหิดใหญ่นี่มันหดตัวไหมมันมีอาการหัวใจเต้นเร็วหรือเปล่าหรือใบหน้าร้อนไหมเราดูสิโอ้มีหลายคนพยายามไปทํานะแต่เวลาไปปวดจริง ๆ, ๆ, ๆ มัวจไม่เสร็เสร็จไม่เคยมาดูามันเกิดอะไรขึ้นเหเวลาทานอาหารที่มันใส่ผงชูรสมากมีสารปนเปื้อนร่างกายเขาจะบอกเขาจะบอกเราแล้วเราจะเริ่มเข้าใจบางทีเราหาสาเหตุไม่ได้เพราะเราไม่ได้มาดูตัวเราเองการมาดูตัวเราเองเนี่ยจะเริ่มเข้าใจตัวเราแล้วก็สาเหตุที่เกิดขึ้นเราจะรู้ลแล้วแก้ปัญหาและป้องกันได้ด้วยเนี่ยมีประโยชน์ตรงนี้เนี่ยก็นอนปฏิบัติอยู่งี้ละ่ะ มันเลยเกิดความเข้าใจแล้วก็ดีขึ้นเยอะเลยเราทําหน่อยไหมไหนลองทํำสิลางําความรู้สึกตัวนั่งกัน ส, สบายๆเราเอามือวางไว้ที่ขาเนี่ยจะบอกวิธีการทําความรู้สึกตัวศึกษาตัวเราให้รู้จักตัวเรารู้จักกายรู้จักใจลอยนีน้มือวางไว้ที่ขาตอนมันต้องมีข้อเข้าทดลองด้วยต้องสัมผัสรู้ไม่ต้องใช้ความคิดอะไรไม่ต้องหลับตาบางทีหลับตามันก็หลับในนะอถนัดอยู่แล้วหลับตา นั่งหลับตาอันนี้ไม่ใช่เป็นการทำสมาธิแต่เป็นบอ่อเกิดให้เกิดสมาธิคือการทำความรู้สึกตัวเมื่อมีความรู้สึกตัวเดี๋ยวเดี๋ยวสมาธิจะเกิดขึ้นเองและจิตใจจะผ่อนคลายสมาธิว่าไม่ต้องใช้ความคิดอะไรไม่ต้องหลับตาไม่ต้องบริกรรมอะไรจิตใจเราจะผ่อนคลายนะถ้าเราไม่ไปบังคับมาถ้าไปบังคับเนี่ยมันจะเครียด รู้สึกได้ไหมทุกคนมีอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่เคยมารู้ตรงนี้เลยเรารู้แต่นอกตัวง่ายๆเพงทีอาจจะใช่ลมหายใจก็ได้นะหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกแล้วลองทาอีกทีหนึีงดิลองถูนิ้วมือเบาๆเอานิว้วชี้กับนิ้วหัวมือถูกันเบาๆนิ้วชีกับนิ้วหัวมือถูกกันเบาๆแล้วก็รู้สึกสังเกตดูจะรู้สึกที่มันเบาๆจะมีทั้งสมาธิ มีทั้งสติและมีความผ่อนคลายตามมาเลยถ้าทาต่อนเนื่องกันนานๆนะเราจะเริ่มเข้าใจตัวเรามันจะไปเห็นความคิดที่มันเกิดขึ้นแต่นี่เราจะไม่เชื่อความคิดแหละจะไม่เชื่อความคิดที่มันปรุงแต่งแต่จะเชื่อความคิดที่เราตั้งใจคิดขึ้นมาอันเนี้ยมันจะทำให้เราผ่อนคลายตรงนี้ถ้าเรามีความรู้สึกตัวเนี่ยทุกคนเนี่ยจะเหมือนคนคนเดียวกันเลย จะมีความสามาัคคีมากที่สำคัญ ก, ก็คือมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเชื่อฟังแม้ทั้งคนพิการบอกให้ทําเนี่ยโอ้เนี่ยแสดงว่าคุณธรรมข้อนี้ดีมากเลยเพราะฉะนั้นเราลองใช้ชีวิตแบบเนี้ยแบบรู้สึกตัวอย่าเคลื่อนไหวฟรีๆอย่าทุกข์ฟรีๆให้มีสติรู้ด้วยชีวิตเราเนี่ยต้องทำสองอย่างคือหนึ่งใช้ชีวิตแปลการทําหน้าที่ หน้าที่ต้องทำหน้าที่ของลูกหน้าที่ของภรรยาหน้าที่ของสามีของครัวจานทําหน้าที่ดีที่สุดเลยเป็นหน้าที่ภายนอกแต่สิ่งทีงต้องทำคือคือทําหน้าที่ภายในจิตใจเราให้มีสติรู้ตัวเพื่อแก้ปัญหาใจเราไม่ต้องเป็นทุกข์หน้าที่ข้างนอกก็ทําไปหน้าที่ข้างในก็คือรักษาใจไม่ต้องเป็นทุกข์คือรู้เท่าทันปัญหารู้เท่าทันจิตทันใจเราเนี่ยอันนี้ทุกข์จะไม่เกิดขึ้น ใช่ไหมต้องใช้นะทํางานไปเนี่ยก็าให้มีสติตามรู้ไปแล้วชีวิตเราเนี่ยมันจะไม่วุ่นวายจะไม่เศร้าหมองทุกใจจะไม่เกิดขึ้นความวุ่นวายใจความลร้อนใจก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าเราทำหน้าทีท่ด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมได้ทั้งวันเลยนะได้บุญทั้งวันถ้าเรามีความรู้สึกตัวเนี่ยไม่ต้องเข้าวัดเราอ้างว่าเราไม่มีเวลาหรอก จะไปวัดไปทำบุญไม่ต้องก็ได้ถ้าไม่มีโอกาสใช้ชีวิตอย่างมีสติเนี่ยเป็นการทำบุญแล้วเป็นบุญขั้นสงูงสุดในทางพุทธศาสนาเลยทำตรงเนี้ยงานก็ได้ใจก็ดีโรคก็ไม่ช้ำทำก็ไม่เสียใช้ได้ตลอดเลยเนี่ยอันนี้มีประโยชน์มากเราไปใช้ในชีวิตประจำวั น, นยอย่างโดยเฉพาะพวกเราเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องเผชิญหน้ากับอารมณ์ต่างๆมากมายอย่าประมาท อย่าประมาทในการใช้ชีวิตสาวสาหนุ่มๆก็ต้องมีความรักไอ้ความรักนี่แหละไอ้ความหวังนี่แหละทำให้เราต้องเศร้าหมองมากมายใช่ถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นมากบางทีเกิดความรักรักพ่อรักแม่ไม่มีปัญหาแต่รักแฟนเนี่ยบางทีมันเกิดความผิดหวังอกหักรักหายเราจะทำใจอย่างไรที่จะเผชิญหน้ากับความอกหักกระดูกหัก ยังมีห้องกายภาพจะมีห้องต่อกระดูกแต่ อ, อกหักนี่หาห้องต่ออกที่หักไม่ได้นะจะทำยังไงถ้าเรามีสติมีความรู้สึกตัวนี่มันเป็นการป้องกันแล้วแก้ปัญหาอกหักรักหายได้รักษาใจใเป็นปกติได้ดามจิต ด, ดามใจให้หายทุกข์ได้ด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะอย่ารอให้ไปทุกข์สัก่อน ให้เดินไม่ได้อย่างผมซะก่อนแล้วค่ะมาปฏิบัติบางทีมันมันเสียศูนย์ไปเลยมันท้อแท้ไปเลยว่าน้นเราต้องป้องกันว้ก่อนป้องกันย่อมดีกว่าการแก้ไขบางทีการแก้ปัญหาในเป็นการแก้ที่ปลายเหตุบางทีแก้แล้วไม่เหมือนเดิมผมที่แก้ไม่เหมือนเดิมเนี่ยแต่การป้องกันไว้ก่อนเนี่ยถว่าเป็นการปลอดภัยมากอา ะ, นะ่นะมีใครจะถามอะไรไหม อาจารย์คะมีคำถามนะคะสักสองคำถามคำถามแรกนะคะถามว่าการทําความดีนี้ยากส่งผลทําให้เกิดความท้อถอยอยากจะถามนะคะและขอคําแนะนําจากอาจารย์ว่ามีแนวทางในการสร้างเสริมกําลังใจในการทําดีต่อไปอย่างไรบ้างนะคะอาจารย์ส่วนคําถามที่สองคือจุดเริ่มต้นที่อาจารย์คิดเกี่ยวกับการทําความรู้สึกตัวเกิดจากอะไรคะขอบคุณคะ่ะ ความรู้สึกตัวนี่มันเกิดได้แล้วมันก็หายได้เหมือนกันนะแล้วไปสร้างไปบ่อยการทําความดีแล้วท้อแท้มหมดกำลังใจอันนี้สรุปแบบนี้นะมั้งตามธรรมดาแล้วเนี่ยคนที่บอกว่าโอ้การทําความดีนี่ยากมากทําความช่วยนี่ง่ายมากบางคนบอกโอ้ทำช่วนี่ยากมากทําดีนี่ง่ายมากถูกทั้งคู่นะขึ้นอยู่กับว่าถ้าเราเป็นคนที่ใยดีอันทําความดีนี่ก็ง่ายมากใช่ไหม คืออยู่กับการให้ความสําคัญถ้ายความสําคัญกับสิ่งไหนสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นได้ง่ายมากในิใจเราใ น, ในี่พูดถึงว่าการทําความดีเนี่ยถ้าจะมองถึงพวกเราเนี่ยผูทท้ที่ทํางานเนี่ยเกี่ยวกับด้านการพยาบาลเนี่ยถ้าเรามองเห็นประโยชน์ของสิ่งที่เราทําเนี่ยมองเห็นประโยชน์เราก็จะอยากทําในสิ่งนั้นการทํางานในโรงพยาบาลเนี่ยเป็นการทําบุญนะอย่างพูดหละ่ะอย่างที่เนี่ยอย่างที่เนี่ยไปถือว่าเป็นที่ ผลิตนักบุญการทํางานโรงพยาบาลเป็นการทําบุญเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลเขาทางนั้นเลยการช่วยเหลือคนอื่นช่วยผ่อนช่วยคลายความทุกข์จางเขาเนี่ยเป็นบุญเป็นบุญมากเลยโรงพยาบาลคือโรงทําบุญเนีการขึ้นเวรแต่ละครั้งก็เป็นการขึ้นบุญไม่ใช่ไปขึ้นเวรเนีขึ้นบุญทํางานที่โรงพยาบาลเนี่โหบุญนี่เกลื่อนเลยนะบุญรอคิวเป็นแถว รอรับบัตรรอรับยาเนี่ยบุญรอแล้วบางทีบุญเดินชนกันยิงเข้าไปในห้องคนป่วยข้างในโอ้โหบุญนอนขนาดเกลื่อนเลยบุญทั้งนั้นถ้าเราทําใจใเป็นบุญเนี่ยเราจะมีความสุขกับการทํางานบางวันอาจจะทําบุญหนักไปหน่อยกลับบ้านเพลียบุญมากไม่เป็นไรนะทําไมเราทําบุญจึงต้องเป็นทุกข์ด้วยทําไมเราทําความดีจึงต้องเป็นทุกข์ด้วย ไม่ต้องเป็นทุกต้องรู้จักทำใจให้เป็นบุญสิ่งที่เราทำเนี่ยมีคุณค่ามีประโยชน์มองเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำเราจะกลายเป็นคนที่มีคุณค่าไปด้วยอย่าคิดว่าทำงานอย่างนี้แล้วต้องได้เงินเนี่ยวางใจไว้ผิดแล้วต้องได้ไคำสำรรเสริญยันยอเราทำความดีทำไมไม่มีใครเห็นความดีของเราก็เราทำความดีมันก็ดีอยู่แล้วในตัวใครจะเห็นไม่เห็น มันเป็นกรรมของเขาเขาไม่เห็นความดีของเรามันก็เรื่องของเขาตีแต่เราทําดีแล้วอย่าปล่อยชีวิตของเราเนี่ยให้ไปขึ้นอยู่กับปากคนอื่นสายตาคนอื่นหรือสิ่งที่เป็นเหยื่อล่อทรัพย์สินเงินทองหรือเกียรติยศที่เสียงอันนั้นไม่ใช่คุณค่าคุณค่าอยู่ที่ตัวเราเราทําดีมันก็ดีแล้วอย่าท้อแท้อย่าหมดกำลังใจอาจจะไม่เห็นผลในตอนนี้เนี่ย สะสมต่อไปเราจะเข้าใจข้อสำคัญนะว่าทําดีก็ได้ดีอย่าคิดว่าจะต้องได้เงินได้ทอหรือได้คําสเตือนิยยอนย่อตาแหน่งไม่ใช่สี่ขั้นโบนัสสวัสดิการอันนั้นเป็นผลพลอยได้อย่าไปมุ่งตรงนั้นเราจะหาความดีไม่เจออยู่ที่คุณค่าของเราสิ่งที่เราทํามาเนี่ยเราถือว่าเราดีแล้วก็ใช้ได้แล้วทําความดีแล้วอย่าเป็นทุกข์ถ้าเรากลับมาดูจิตดูใจาตัวเองเนี่ยเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะเราตั้งใจไว้ผิด สิ่งที่เราต้องการนั้นก็คือสิ่งที่เราไม่ได้อย่างเช่นว่าปลูกมะม่วงก็ต้องได้มะม่วงปลูกม่วงไม่ได้ปักขีหรอกทำความดีก็ต้องได้ความดีส่วนคนอื่นเห็นไม่เห็นนั้นไม่สําคัญแล้วอย่าไปฝากชีวิตไว้กับเขาอย่าตอแทนนะเรื่องของความดีความทุกข์นี่แหละมันเป็นประธานเลยนะเป็นประธานสําคัญเลยในงานพิการของผมเนี่ยพราะเกิดความทุกข์เนี่ยเราไม่รู้จักยอมรับเราไม่มีวิธีการคิด เราไม่มีวิธีการคิดที่ถูกต้องพอทุกปับ๊บคนเราจะมองชีวิตไปในแง่ลบเลยถูกไหมโอ้ทาไมถึงต้องเป็นเราเนาะโทษสิ่งนูน้นโทษสิ่งนี้แล้วก็ท้อแท้ไม่ไหวแล้วเราชีวิตเราคงจะเอาดีไม่ได้ความมั่นใจมันจะไม่เกิดขึ้นไม่มีกำลังใจซึ่งวิธีคิดแบบเนี้เป็นวิธีคิดที่เป็นลบมันไม่ช่วยพัฒนาชีวิตเราได้เลยพอทุกจนได้ที่แล้วเนี่ยมันก็เริ่มมีวิธีคิดแบบใหม่อันดับแรกก็คือพอเป็นทุกปับ๊บ ใช้ความอดทนแม้ว่าจิตใจจะมีวิธีการคิดที่เป็นลบหรือเป็นทุกข์อดทนไว้ก่อนไอ้ความอดทนนานๆเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงคือจิตมันเริ่มอนะเริ่มทนทานต่อความทุกขนะ์แล้วนี่มันก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีคิดแบบใหม่คิดไปทางบวกสําคัญนะความคิดนี่มีกําลังนะมีพลังนะมีแรงขับเคลื่อนนะถ้าคิดแต่ทางลบเนี่ยเราก็แก้ปัญหาไม่ได้คิดไปทางบวกไว้ให้มันขับเคลื่อนไปทางบวกเขาไว้ โอ้โห oh, ไม่เป็นไรล้อเรายังมีโอกาสอยู่คิดหาทางออกพอคิดหาทางออกนี่มันมีทางอยู่แล้วทางออกนะก็คือการปฏิบัติหาทางออกด้วยการปฏิบัติทำตอนแรกก็ท้อแท้ไปเอ๊เราปฏิบัติทำไม่ได้ล้อเราไปอยู่วัดไม่ได้เป็นคนพิการแต่ลองทําดูทดลองทําดูนี่พอลองทํานี่มันก็ได้ที่พอเริ่มต้นก้าวเดินเนี่ยมันก็เริ่มเดินเป็ น, นสมมตินะการปฏิบัติ พอเริ่มทําความสุขตัวมันเริ่มรู้จักตัวเราเห็นไหมพอเริ่มเลือกตัวเราเนี่ยมันก็เลยเข้าใจชีวิตเห็นความจริงของตัวเราด้วยการเริ่มต้นจากคิดแล้วก็ทําความคิดให้เป็นความจริงโดยการลงมือปฏิบัติทุกคนย่อมมีความฝันมีความหวังแต่ความฝันหรือความหวังจะเป็นความจริงนั้นจะต้องลงมือกระทํำลงมือปฏิบัติด้วยจึงจะได้พบกับความจริง อุปสรรคมีมากมายแต่อุปสรรคนั้นกลายเป็นสิ่งท้าทายและมันก็ชนะมาเรื่อยๆอีกคําถามนึงนะคะอาจารย์การทำความดีมากๆเนี่ยคิดว่าจะได้บุญเยอะนี่ถือว่าเป็นบาปไหมคะพ่อเนี่ดีบุญก็ส่วนบุญบาปก็ส่วนบาปบุญก็คือทําความดีมากๆความดีที่เราทํานั้นมันต้องดีจริงๆนะไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนตัวให้เดือดร้อน ช่วยเหลือคนอื่นอันนี้เป็นบุญจะเป็นบาปแต่เมื่อเราหวังหวังว่าจะได้อะไรนะั้นบาปมาแล้วบุญหายบาปมาแล้วหวังว่าจะได้สีได้ขั้นได้โบนัสสวัสดิการได้ชื่อเสียงได้สิ่งตอบแทนนั่นบาปตรู้จักแบ่งแยกทำความดีก็คือการทำบุญให้กับตัวเราเองทำบุญให้คนอื่นแต่ถ้ามีความหวังอะไรขึ้นมาเนี่ยนั่นคือบาป ท, ที่จริงเราต้องหวังไหม ไม่ต้องหวังเลยมันได้อยู่แล้วทําไปเถอะอย่างเช่นว่าสมมุตินะจะเล่า น, นิทานเปรียบเทียบไปฟังมีช้างตัวหนึ่งเป็นช้างศึกวันนั้นเน่ยพระราชาอยากให้ช้างศึกเดินผ่านเข้ามาในวงังอยากจะดูว่าช้างศึกของเราเนี่ยตัวไหนที่มันสง่างามมีช้างตัวหนึ่งเดินผ่านประตูเข้ามาตัวที่หนึ่งเดินผ่านไปแล้วตัวที่สองเดินผ่านไปแล้วตัวที่สามเนี่ยเดินแล้วแงะหลังดูว่าหางเนี่จะค้นประตูไหม ตัวผลนมาแล้วนะกลับไปดูหางเห็นป่มแสดงว่ายังห่วงพวงอะไรอยู่เมือ่อางพวกเราเนี่ยทำความดีแล้วเอ๊ะมันจะได้ดีอะไรยังห่วงหางตัวเราทำความดีมันก็ดีแล้วทำบ่อยๆเถอะส่วนผล น, นั้นจะเกิดขึ้นเองเมื่อหัวรอดไปได้ตัวรอดไปได้หางก็ต้องรอดนะทำงานแล้วต้องการเงินเดือนเริ่มต้นทางาน ทำไปเถอะเดี๋ยวปลายเดือนเงินเดือนก็มาเองไม่ต้องรอว่าไหนจะได้ไม่จะได้คนเราสมัยนี้ทำเงินก่อนแล้วค่อยทำงานมันเป็นไปได้ไหมทำเงินก่อนแล้วค่อยทำงานต้องทำงานก่อนแล้วก็จะได้เงินถึงไม่ได้เงินเราก็ได้งานเพระาะนั้นการการะทาเนี่ยต้องวางจิตวางใจให้ดีทำความดีไปก่อนเถอะและผลของความดีจะเกิดขึ้นเองอาจจะไม่เกินจิตใจระหวังก็ได้อาจจะเราจะหวังเกินไป ตักบาดหนึ่งท่าปีขออะไร้นิพานมันไม่ได้แต่อยากแล้วแต่ถ้าตักปับ๊บอ๋อทําใจสบายสบายโอ้นิพานก็ขึ้นทันทีเลยถ้าอยากมักจะไม่ได้ถ้าไม่ต้องการเนี่มักจะได้อย่างผมเนี่ยมันพริกลอง ก, กินชีวิตเนี่ยในตอนที่ไม่พิ ก, การนะผมมีความฝ่ายฟันหลายๆอย่างแต่ไม่เคยได้เลยนะแม้กระทั่งพิ ก, การแล้วเริ่มต้นพิ ก, การเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ ยิ่งอยากยิ่งไม่ได้โอ้ผมมาปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ต้องการแล้วโอ้เต็มเลยไอ้ น, นี่ไม่ต้องการเนี่มันก็ได้แต่ถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมัน่นในความดีนะทําแล้วไม่ยึดมั่นถือมัน่นเราจะเป็นอิสระเหนือบุญเห น, อเนือบาปเหนือสุขเหนือทุกจิตอิสระทําความดีแล้วอยากได้ผลดีอันนะั้นเกิดจากความยึดมั่นถือมัน่นทําความดีเพราะว่ามันดีพอแล้วอันนี้จิตอยู่เหนือดีทําได้ไหม ทำความดีเพราะมันดีทำงานเพื่อ ง, งานท่านเองส่วนผลก็จะได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่เหตุปัจจัยค่ะอีกคำถามหนึ่งนะคะในฐานะที่ท่านอาจารย์เป็นนักปฏิบัติธรรมนะคะมีน้องๆหลายคนยังไม่เข้าใจคำว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยดีอย่างไรคะอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายตรงนี้คะ่ะอเยอะเลยนะผลการปฏิบัติธรรมเนี่ยดีมากเลยการปฏิบัติธรรมเนี่ยเรายมองว่า จะต้องเป็นการไปเข้าวัดไปบวชอันนั้นไปเพียงแค่รูปแบบถ้ามีโอกาสก็ไปเถอะการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการมาศึกษาตัวเรามาศึกษาตัวเร า, าเข้าใจตัวเราธรรมะคือตัวเราเนั่นเองคือกายคือใจของเราเข้าใจเรื่องของร่างกายเข้าใจเรื่องของจิตใจเรื่องของความคิดการปฏิบัติธรรมเนี่ยเริ่มต้นโดยการมีสติดีไม่มีสติเนี่ยไหนก็วอาการมีสติไม่ดีบ้าง ถช่ว่าการมีสติไม่ดีมัง้งมีสติเนี่ยมันดีนะไปที่ไหนก็ไม่ค่อยผิดพลาดชีวิตก็ไม่ผิดพลาดคือการมีสติมารู้เนื้อรู้ตัวในการใช้ชีวิตถ้าเราใช้ชีวิตแบบขาดสติเนี่ยโอกาสผิดพลาดจะมีได้มากอย่างเช่นบางอย่างเราพูดออกไปเราทําออกไปเนี่ยเรารู้สึกตำหดิตัวเองไหมโอ้เราไม่น่าพูดอย่างนี้เลยเราไม่น่าทําอย่างนี้เลยแต่ได้พูดไปแล้วได้ทําไปแล้ว ใช่อันนี้เพราเราขาดสติเราก็รู้ว่าสิ่งนี้ไม่ดีนะความโลภไม่ดีความโกรธไม่ดีทําไมเราต้องทำเนี่ยเพราะเราขาดสติขาดการยับยั้งชั่งใจถ้าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการกลับมารู้ตัวเราเองท่านเองใช้ชีวิตอย่างถูกต้องไม่ขัดแย้งกับกฎขอธรรมชาติกฎธรรมชาติมีอะไรคือความเปลี่ยนแปลงเราไม่อยากให้มันเปลี่ยนแปลงใช่ไหม นั่นเราฝืนกฎธรรมชาติแล้วถ้าเรารักเขาเราต้องรักเขาตลอดไปบนันดีใจเราก็ไม่รักอยากให้เขารักเราตลอดไปมันก็เป็นไปไม่ได้เราไม่รู้จักกฎของการเปลี่ยนแปลงร่างกายาใ่้มันคงที่มันต้องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอย่างชเวลาเรามีความสุขเนี่ยทุกคนมีความสุขแต่เราเผลอไปคิดว่าความสุขเนี่ยมันจะเที่ยงแท้แน่นอน ไม่มีใครมีความสุขตลอดชีวิตหรอกมันมีสุขบ้างทุกบ้างสลับกันใช่ไหมแต่เวลามาเกิดความทุกข์โอ้เราเป็นทุกข์มากเราทุกข์มากวากว่าความทุกข์มันเกิดเดี๋ยเครียดมากเลยเพราะเราไม่รู้จักการเปลี่ยนแปลงของกฎธรรมชาติถ้าเรามีสติรู้ทันในความเปลี่ยนแปลงนี่คือกาปรปฏิบัติธรรมเราก็จะใช้ชีวิตกับการสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงความสุขเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปถูกไหมความทุกข์เกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ผ่านไป ถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะมันจะทําใจได้เวลาเกิดความสุขก็ไม่ลลหลงระเริงเพราะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเวลาเกิดความทุกข์ก็ไม่เศร้าหมองเพราะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปดีไหมการปฏิบัติธรรมบางทีมันชีพมันต้องเป็นไปนตามเหตุปัจจัยไม่สามารถจะบังคับบัญชามันได้บางทีมันก็ป่วยไขย้เราสามารถบังคับได้ไหมว่าเราไม่ให้มีสิวใบหน้าไม่ให้ปวดฟันไม่ให้เป็นโรคนั้นไม่ให้เป็นโรคนี้เรามัคับไม่ได้ เพราะเหตุปัจจัยต้องเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะเราจะไม่ทุกข์ไม่เครียดกับความเปลี่ยนแปลงของร่างกายใช่ไหมทุกคนเราเนี่ยจะต้องเปลี่ยนแปลงไปทางความแก่ทุกคนต้องแก่ตอนนี้ยเราว่าเราไม่แก่แต่ท่านาแก่แล้ววัยแปลว่าความเสื่อมหนู่วัยเท่าไหร่คนสวยเนี่ยวัยเท่าไหร่เราเนี่สวยไม่รู้ตัวไงไวัยเท่าไหร่ครับ โอ้สิบเก้าเนี่ยไวสิบเก้าเนี่ยแก่ไปแล้วสนะิบเก้านะถูกไหมไวแปลว่าแบบความเสื่อมคนเราทุกวันเนี่ยเสื่อมไปทุกวินาทีทุกวิาทีเสื่อมไปเรื่อยเรื่อยจนถึงร้อยนะถ้าเราเข้าใจตรงนี้ปั๊บเนี่ยเราจะแก่เท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรแล้วเพราะทุกคนก็ต้องเสื่อมเท่ากันต้องเข้าใจตรงนี้ใช้ชีวิตกับความเสื่อมให้ถูกต้องเราจะต้องตาย ในความมีชีวิตอยู่เนี่ยมันมีความตายซ่อนอยู่นะถูกไหมหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะความตายมันอยู่โครนาด้านเราเยเพราะที่ทุกคนเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับทุกขณะมันตายทุกขณะจิตเซลล์เกิดมาใหม่แล้วก็ตายไปสร้างเซลล์ใหม่มาแทนที่จิตใจเวลามันคิดสิ่งนี้เดี๋ยวมันก็หายไปเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาคิดใหม่ขึ้นมาแล้วก็หายไปมันมีแต่ความเสื่อมการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการมารู้ตรงนี้ รู้ทันในความเปลี่ยนแปลงรู้เท่าทันในความเสื่อมรู้เท่าทันในความที่บังคับบัญชาไม่ได้เมื่อรู้ทันแล้วเนี่ยเราก็มีความสุขคือใช้ชีวิตกับส่อคล้องกับธรรมชาติให้ส่อคล้องกับธรรมชาติอ้นี้แหละแล้วทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นเมื่อทุกข์ไม่เกิดมันก็มีความสุขโดยที่ไม่ต้องแสวงหาเลยใครเคยมีลูกถ้าเรารู้ไม่ทันลูกหรือลูกมันหลอกเราแต่ถ้ารู้ทันเนี่ยโอ้เรา สบายเลยควบคุมลูกได้การปฏิบัติธรรมคือการรู้เท่าทันธรรมชาติรู้เท่าทันตัวเราและก็รู้เท่าทันคนอื่นด้วยอันนี้มีประโยชน์มากอันนี้พูดโดยรวมนะส่วนประโยชน์จะย่อยมีอีกมากมายคำถามสุดท้ายนะคะอาจารย์พอดีพิธีกรได้พูดถึงการฟังธรรมอะคะ่ะว่าเป็น การมาร่วมทำบุญจะเรียนถามอาจารย์หรือว่าให้อาจารย์ช่วยขยายความคำว่าการฟังธรรมแล้วได้บุญอย่างไรคะคำว่าบุญนะพวกเราอย่าคิดว่าบุญนี่คือการต้องให้อย่างเดียวการทาบุญตักบาตรนี่คือบุญการให้เงินขอทานนบุญอันนั้นก็เป็นบุญส่วนหนึ่งบุญเนี่ยมีหลายอย่างบุญเกิดจากการให้ทานบุญจากการรักษาศีลกินเจ บุญเกิดจากการเจริญสติภาวนาอันนี้เป็นบุญสูงสุดบุญจากการอ่อนน้อมถ่อมตนบุญเกิดจากการฟังธรรมบุญเกิดจากการแสดงธรรมบุญเกิดจากการแผ่เมตตาบุญมีหลายอย่างเนี่ยบุญเป็นชื่อของความสุขการฟังธรรมนั้นเป็นบุญเพราะว่าได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟัง อย่างเรื่องวันนี้บางคนก็ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่บางคนที่เคยฟังมาแล้วก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นบรรเทาความสงสัยแล้วก็นําไปใช้เป็นประโยชน์ได้ฟังบ่อยๆก็เกิดความเข้าใจ บ, บ่อยๆใช่ไหมบุญเกิดจากการฟังธรรมแต่ต้องฟังด้วยใจนะอะขอพายฉกคำว่าอย่าเอาหูฟังเอาใจฟังถ้าหูฟังแล้วก็มันจะผ่านไป ถ้าเอาใจฟังเนี่ยมันทราบถึงแล้วเข้าใจแล้วก็นำเอาไปใช้